ขอเจริญพรก่อนอื่นก็ขอโมทนากับเจ้าของสถานที่คุณแม่มและก็สามีที่อุตสาสร้างสถานที่เพื่อให้ชาวพุทธมาศึกษาศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้หาที่ที่จะทำแบบนี้หายากขอโมทนาด้วย ก็เป็นโอกาสดีสำหรับชาวกรุงเทพที่จะมาใช้สถานที่ดูโปรแกรมแอบดูโปรแกรมของบ้านจิตสบายมีครูบาอาจารย์ดีๆมาสอนเยอะนะทั้งที่เป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นคราวาตพระภิกษุเช่นหลวงพ่อประโมทมาเปิดนะมีท่านอาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสีท่านเก่งมากนะองค์นี้เรียนอภิธรรม ได้ที่หนึ่งมั้งนะได้ที่หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เฉลียนอย่างเดียวท่านก็สนใจปฏิบัติ ด, ด้วยเวลาท่านแสดงธรรมนี่จะไม่ออกนอกเรื่องคารวาสก็เก่งคารวาสที่มานะคุณมาลีปฏิบัติเก่งมากนะภาวนาเก่งกว่าพระหลายองค์พระหลายองค์รวมทั้งอาตมา ด, ด้วยเวลามีอะไรจะปรึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ย คารวาสสอนธรรมะน่าจะได้ผลมากกว่าพระบางองค์เพราะว่าจะถ่ายทอดพูดคุยได้ได้อะไรเป็นกันเองมากกว่าพระถ้าติดรูปแบบก็จะทำให้ห่างเหินโยมเข้ามาแล้วจะเกรงเกรงไม่ค่อยกล้าที่จะสอบถามอะไรเท่าไหร่เป็นเรื่องดีมากนะที่มีทั้งพระและโยมมาช่วยกัน เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเวลาท่านมองมุมมองของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านจะมองว่าพระศาสนามั่นคงเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่ามีพระภิกษุที่เก่งที่สามารถเข้าใจคําสอนของ พ, พุทธเจ้าเท่านั้นเข้าใจแล้วก็ต้องอธิบายให้ผู้อื่นได้ด้วยอธิบายแล้วถ้ามีคนเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิ กล่าวคำอะไรที่มันขัดแย้งขึ้นมาทำความสับสนให้กับผู้ศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปปราบปราบวาทะนั้นได้ไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นถ้ามีแม้แต่อุบาสิกาที่ไม่มีความสามารถแบบนี้พระพุทธเจ้าเห็นว่ายัางไม่มั่นคงพุทธศาสนายัางไม่มั่นคงตอนที่มานมาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ปรินิพพานเนี่ย พระเจ้าจะยังไม่รับคำอาราธนามาเหตุผลที่ยังไม่รับคำอาราธนาของพระองค์ก็คือว่าพุทธบริษัทยังไม่เข้มแข็งยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ถ้าขาดไปเพียงบริษัทเดียวนะคือพุทธบริษัทก็มีพิสุพิษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าขาดไปเพียงบริษัทเดียวที่ยังไม่เข้มแข็งพระองค์ยังไม่ไปรินิพานคือ ยังไม่สามารถเบาใจได้ว่าพวกเราช่วยกันเองได้ mm hmm. เมื่อเห็นว่าุูธบริษัททั้งหลายทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเข้มแข็งเข้าใจธรรมะสามารถบอกต่อกันได้บอกสอนกันได้แนะนำกันได้มีใครพูดให้ไขว้เขวในเรื่องทิฏฐิต่างๆสามารถปราบวาทะนั้นได้อันนี้ท่านจึงจะวางใจและปรินิพานไดนะ้พูดแบบ ชาบ้านเรียกว่าตายตาหลับ <laughs> นะแต่ท่านหลับอยู่แล้วแหละพูดแบบ เ, เข้าใจง่ายๆตอนนั้นเองนะที่นี่ก็สืบต่อขออนโมทนาว่าสืบต่อเจตนารมณ์พุทธประสงคนะ์มีทั้งภิกษุภิกษุณีเราไม่มีแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกามาช่วยกันนะอย่าตั้งความหวังอย่าฝากความหวังไว้แค่พระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกาก็สามารถที่จะขับเคลื่อนวงล้อของธรรมจักรนี้เคลื่อนไปได้นะวงล้อของธรรมจักรที่จะเคลื่อนไปเนี่ยไม่ใช่ไปเคลื่อนไปในโลกไม่ใช่เคลื่อนไปตามถิ่นต่างๆหรือเคลื่อนไปให้ผู้อื่นเคลื่อนในใจเคลื่อนในใจเรานะพุทธเจ้าตรัสบอกว่าโลกโลกนี้มีหลายนัยยะโลกคือหมู่สัตว์ก็ได้โลกคือ เอิร์ธนี่ก็ได้นะคือลูกโลกคือที่เป็นที่อยู่อาศัยของหมู่สัตว์ก็ได้แต่โลกในแง่ของการเจริญภาวนาโลกในแง่ของการเจริญภาวนาพราะองค์ชี้เข้ามาที่กายและใจของแต่ละคนแต่ละคนของแต่ละคนนะไม่ได้กายคนอื่นใจคนอื่นนะกายอื่นใจอื่นก็เป็นโลกอื่นโลกนี้คือกายและใจนี้จะ แ, แยกให้ละเอียดก็ได้แยกเป็นขันห้าก็ได้ แยกขันธ์หเนี่ยพระองค์จะแยกให้กับคนที่เห็นนามธรรมได้ง่ายนะเพราะในขันธ์หเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างรูปเป็นรูปธรรมนามธรรมานี้ตั้ง4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะบางครั้งพระองค์ก็แสดงให้กับผู้ที่มีสมาธิมากๆท่านก็แสดงเป็นอายตนะเคยได้ยินคําว่าอายตนะไหม ถ้าไม่ยินไม่เคยสามารถสายหน้าได้นะไม่ต้องพยักหน้าอย่างเดียวนะให้อิสระในการแสดงออกสามารถสายหน้าได้ตามความเป็นจริงนะอายตนะเนี่ยมีหกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะเป็นรูปธรรมกี่อย่าง <S <S <S อา้าวเป็นรูปธรรมกี่อย่างไล่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ห้าอย่างเป็นนามธรรมกี่อย่างหกอย่างต้องเรียนคนวนคณิตศาสตร์ด้วยนะเรียนธรรมะนี่ต้องมีคณิตศาสตร์ด้วยตาหูจมูลินกายใจสำหรับคนที่เอ็กซ์เพรมากๆเอ็กซ์เพรมากๆท่านท่นเรียนธาตุธาตุในที่นี้ไม่ใช่ท่ธาตุในเรื่องของเคมีธาตุในที่นี้เนี่ยท่านพูดถึงอายตนะภายในอายตนะภายน อ, นนอก แล้วก็ตัวที่ไปรู้อายตนะการสัมผัสทั้งหลายอายตนะภายในมีอะไรเมื่อกี้บอกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่อายตนะภายในคู่กับอายตนะภายนอกตาคู่กับอะไรรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับภาษาจริงๆเรียกโผฏฐพะนะ สัมผัสเนี่ยบางทีเป็นคำกลางๆนะโผฏฐพัคคือสัมผัสทางกายนะใจคู่กับธรรมารมคือความคิดนึกต่างๆปรุงแต่งต่างๆเป็นนามธรรมนะตาอยู่เฉยๆไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้ถ้าไม่มีรูปมาให้เห็นนะตากับรูปมาเจอกันปะทะกันตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามีผัสสะ ตากับรูปตากับรูปเนะี่ยเวลาตายมมาเห็นภาพตรงนี้เนี่ยมีแสงสีเข้าไปกระทบตาเนี่ยเกิดผัสสะการที่เกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีความรับรู้ถ้าไม่มีตัวรู้คือวิญญาณเพราะฉะนั้นต้องมีองค์ประกอบอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าตัววิญญาณวิญญาณทางตาเขาเรียกว่าจักขูวิญญาณเคยได้ยินคํานี้ไหมจักขู่วิญญาณแสงมากระทบตามีตัวรู้ เกิดองค์ประกอบครบเนี่ยเรียกจักขูวิญญาณเกิดขึ้นมามีผัทธะตัวนี้เป็นธาตุอีกธาตุนึงนะหูได้ยินเสียงกระทบเสียงถ้ากระทบเสียงเฉยๆไม่มีวิญญาณจะไม่มีความรู้เกิดขึ้นมีวิญญาณจึงจะมีความรู้เกิดขึ้นว่ามีเสียงเขาจึงเรียกว่าวิญญาณนะจักขูวิญญาณโสตะวิญญาณ คนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคนตายไปแล้วไม่มีความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเขาจึงเรียกว่าปราศจากวิญญาณเคยได้ยินคนี้ปราศจากวิญญาณคนอาจจะเข้าใจผิดคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคนตายไปแล้วพระท่านบอกไรวิญญาณความเข้าใจผิดของคนก็คิดไปว่าออก วิญญาณคนถอดไปกลายเป็นว่าเข้าใจว่าคนมีชีวิตยอยู่เนี่ยมีวิญญาณมาสวมทับพอตายไปแล้ววิญญาณหลุดลอยไปเป็นดวงดวงแล้วก็กลายเป็นกระสือกลายเป็นกลางอะไรต่างไปนะไม่ใช่อย่างนั้นวิญญาณในที่นี้ที่ว่าเป็นศพเนี่ยแหกตาศพมาเใช้คำนี้สุภาพไปไปะเปิดตาศพขึ้นมานะไฟฉายส่องไปแสงเข้าตาไหมเข้าตาตามีไหม มีมีแสงไหมมีกระทบกันไหมกระทบกันมีวิญญาณไหมไม่มีนั่นจึงเรียกว่าไม่มีความรู้เกิดขึ้นในกองกองซากศพนั้นกองรูปตรงนั้นไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นให้เข้าใจอย่างนี้นะเวลาพูดถึงคนตายไร้วิญญาณคือหมายถึงในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นดวงดวงเป็นจิตลอยไปลอยมาถ้าเข้าใจว่าวิญญาณจากตรงนี้ลอยไปเป็นดวงดวงแล้วไปเกิด ในนรกในสวรรค์หรือในท้องหมาท้องแมวอะไรเงี้ยให้เข้าใจว่าเป็นทิฏฐิที่ผิดเป็นความคิดที่ผิดเข้าใจที่ผิดจิตเกิดดับอยู่เสมอทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวก็ไปเห็นเดี๋ยวก็ไปได้ยินเดี๋ยวก็ไปดมเดี๋ยวก็ไปลิ้มรสเดี๋ยวก็มีสัมผัสทางกายเช่นลมพัดมา แต่ส่วนใหญ่ก็คือคิดนึกในใจอันไหนมากกว่ากันลองดูนะเป็นอย่างนั้นจริงัหมคิดนึกกับเห็นกับได้ยินได้ฟังอันไหนมากกว่ากันลองดูของตัวเองว่าวิญญาณมันไปรู้อะไรมากกว่ากันของของจิตของคนแต่ละคนของเรานั่นแหละลองสังเกตดูสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสรุปและฝากมา คือว่าถ้าเราจะตั้งต้นศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนาสิ่งแรกที่เราจะควรพัฒนาขึ้นมาคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคือรู้ว่าขณะนี้กายเป็นยังไงและขณะนี้หรือขณะนี้ใจเป็นยังไงนี่เป็น เป็นสิ่งหรือว่าเรียกเป็นคุณธรรมขั้นต้นที่เราควรพัฒนาให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราใจเราเนี่ยถ้าว่าโดยจับหยาบชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยจะมีส่วนประกอบอยู่สองอย่างคือกายและใจนี่แยกจับหยาบแยกละเอียดจะเป็นขันห้าก็ได้จะเป็นอายตนะทั้งหลายก็ได้ชีวิตนี้ไม่มีตัวไม่มีตนที่เป็น เป็นเราเป็นเขาอะไรขึ้นมาเพราะองค์แยกเป็นขันห้าเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ประชุมกันของรูปธรรมนำมาทำทั้งหลายนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าเป็นเราที่เราเข้าใจผิดความเข้าใจผิดทั้งหลายนำมาซึ่งทุกข์ต่างๆเวลาเรามีทุกข์เราอยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์ไป แต่พ้นไม่ได้เพราะเราไม่รู้วิธีไม่รู้ความจริงว่าเราจริงๆแล้วเราติดอะไรพระเจ้าชี้มาเลยว่าที่เราติดอยู่นั่นคือติดความคิดผิดความเห็นผิดความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราแล้วเชื่อว่าในที่นี้ก็ยังคิดอยู่งั้นอยู่รวมนักอาตมาด้วยยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราอยู่ ท, ท, ทั้งที่ฟัง คำสอนครูบาอาจารย์ทั้ง ท, ง ท, ง ท, งที่อ่านพระไตรปิฎกแล้วเชื่อเราเนี่ยเชื่อมันเป็นเราเชื่อนะแต่จิตมันไม่เชื่อเข้าใจัหมเราเนี่ยอ่านมาเราเนี่ยฟังมาเราเนี่ยเข้าใจมันเป็นเราเนดนะเป็นเราเข้าใจจิตมันไม่ยอมเข้าใจแยกออกไหมระหว่างเรากับจิตเราเนี่เป็นความคิดต่าง คิดนึกไปเรื่อยๆแต่จิตมันไม่รู้ไปด้วยกับเราเรารู้ว่าถ้าเราจะเกิดปัญญาได้เราต้องเห็นสภาพต่างๆว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามอย่างรู้เข้าใจเรียนมานานนะเราเนี่ยรู้เข้าใจเรียนมานานแต่จิตไม่ยอมถ้าเราและจิตเป็นอันเดียวกันเราท่องได้แล้ว นิจังทุกขอังอนาตานิจังทุกขังหน้าตามันต้องบรรลุแล้วแต่จิตมันไม่ยอมจิตลึกๆมันยังคิดว่าเป็นเราอยู่จิตลึกๆมันยังคิดว่าเที่ยงอยู่จิตลึกๆมันยังคิดว่าไอ้ที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ทุกข์จริงหรอกมันต้องมีสุขบ้างนะแล้วก็สแสวงหาความสุขจากกองแห่งรูปนี้กองแห่งนามนี้ใจมันยังดิ้นนะใจมันยังดิ้น มันยังมีเขาเรียกมีตันหามีตัหาเวลากระทบต่างๆมีเห็นได้ยินหรือแม้แต่คิดนึกต่างๆเนี่ยมีทุกอยู่ทุกๆครั้งก็จริงแต่ยังหวังว่ามันจะมีดีและมีความสุขและมันก็มีความสุขด้วยแต่แวบเดียวแล้วเราก็หวังความสุขไอ้แวบนั้นแะ เวลาเราได้ยินอะไรดีๆเพราะๆหรือว่าเห็นอะไรสวยๆงามๆหรือประสบการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่ดีๆติดใจมีตัณหาอยากอยากจะเสพอีกอยากจะมองอีกอยากจะฟังอีกอยากจะอยู่กับเขานานๆมีความสุขจังเลยอยู่ใกล้ๆกับคนคนนี้อะไรเงี้ยนะอยากอยู่กับเขานานๆอยากเสพ บ, บ่อยๆในระหว่างที่อยาก แล้วเพราะความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันแสดงถึงความไม่มีความพร่องเข้าใจไหมถ้ามันมีมันเต็มไม่พร่องมันจะไม่อยากจริงไหมอันนี้จริงไหมความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่แสดงถึงความพร่องหรือความไม่มีเมื่อมันพร่องและไม่มีแสดงว่ามันทุกข์ใจเราเนี่ยขณะนั้นมันทุกข์แล้ว มันจึงได้อยากแล้วเราก็ปรุงความอยากให้มากขึ้นนั่นเท่ากับทำลายตัวเองแล้วใช่ไหมคนเราบางทีเนี่ยอยากนิดๆหน่อยๆสนองความอยากได้จะได้ความสุขนิดหนึ่งถ้าความอยากนั้นรุนแรงเข้มความเข้มของความอยากเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเวลาได้มาจะรู้สึกดีใจตื่นเต้นมากปีติลิงโลดมาก มีความสุขมากแต่แป๊บเดียแป๊บเดียวสังเกตไหมอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ใครที่ชอบรองเท้าอยากได้กระเป๋าใบใหม่ใครอยากได้กระเป๋าเนี่ยนะอยากได้มือถืออยากได้เมียมีไหมอยากได้สามีอะไรเงี้ยได้แล้วตอนได้มาเนี่ยดีใจดีใจมากปิติมากแล้วความดีใจปิตินั้นสุขนั้นอยู่ได้แป๊บเดียวบางคนอยู่ได้ได้วันแต่งงาน บางคนเนะี่ยแต่งงานข้ามคืนก็หมดความสุขละ <Yeah. S 1> มีอยู่สามีภรรยาอยู่คนหนึ่งบอกมีความสุขอยู่คืนเดียว <Yeah. S 1> แต่งงานกันแล้วเนะ่ะเช้าขึ้นมาทะเลาะกันแหละทะเลาะเรื่องกินข้าว <c oughs> ทำอาหารมาเนะี่ยภรรยาเป็นคนใต้ชอบอาหารรสจัด <c oughs> บนโต๊ะอาหารก็มีแกงจืดแกงเผ็ดมีผัดอะไรเงี้ยนะ ภรยาตักแกงเผ็ดก่อนเลยสามีดุอุ้ยคุณเนี่ยไม่ใช่ผู้ดีเลยมันต้องกินค่อยๆไล่รสไปสิอต้องกินไล่รสจืดรดแล้วค่อยเผ็ดที่หลังอย่างงี้ไม่ดีถูกตําหนินะที่บ้านไปอยู่บ้านสามีที่บ้านก็จะตำหนิเอานะอยู่ๆไปตักเผ็ดเลยเนี่ยมันไม่แสดงถึงว่าเป็นผู้ดีบ้านใครเป็นผู้ดีมั้ง <laughs> กินอย่างงี้หรือวะตมานึกกินคลุกๆ ก, กันไปแล้วนะบอกเทะเลาะกัน บอกที่บ้านจงกินอย่างเงี้ยเมียนะเมียบอกที่บ้านจะกินอย่างเงี้ยดูสิมีความสุขกันคืนเดียวลุงชาขึ้นมาทะเลาะกันแหละให้เห็นว่ากระบวนการของกา ร, สรแสวงหาความสุขของเราเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้คือมีความพร่องแล้วอยากอยากในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอยากแล้วยังไม่ได้ยังไม่สุข อยากแล้วได้มาสุขแป๊บหนึ่งแล้วอยากใหม่ฉะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะถ้าเรายังพอใจที่จะหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะกลายเป็นกระบวนการเนี่ยจะสร้างทุกข์ขึ้นมาทุกครั้งที่ปรุงความอยากมาที่ใคือสร้างทุกข์ใส่ตัวปรุงไปเรื่อยๆปรุงทุกข์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะดับทุกข์ปรุงทุกข์ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะดับทุกข์ คือสนองตัญหาได้เมื่อไหร่จรึิงจะเรียกว่าดับทุกข์ได้คราวหนึ่งคราวหนึ่งแล้วดับแป๊บเดียวของบางอย่างที่เราได้มาตอนนั้นมีสุขพอได้ใหม่ซ้ําๆชักชินเป็นอย่างนั้นไหมชินยกตัวอย่างเดิมก็ได้สามีคนเดิมภรรยาคนเดิมชักชินอาหารแบบเดิมกินบ่อยๆชินตอนเด็กๆนะอาตามาชอบอาหารอยู่อย่างหนึ่ง เขาเรียกว่าไข่ตะหลิวเวีย <ing> งรู้จักไหมไข่ตหลิวเวียง <ing> แม่บ้านที่บ้านเนี่ยทำให้ให้กินทุกครั้งที่กินแล้วเอาอีกพรุ่งนี้เอาอีกนะพรุ่งนี้เอาอีกนะไข่ตะหลิวเวียง <ing> <ing> ที่ว่านี่คือไข่คนอะ่ะแต่แม่บ้านก็ตั้งชื่อเมนูใหม่ว่าไข่ตหลิวเวียงมันเวียงอย่างเงี้ยใช้ตหลิวเวียงจริงนะใช้ตหลิวเวียงเอาไข่ตะหลิวเวียงชอบมากกินอยู่กินอยู่หลายวัน กินไปกินมาเบื่อไม่เอาแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่เห็นธรรมะนนะมันไม่ได้รู้ขึ้นมาเลยว่าโอ้ตัณหามันได้รับการสนองบ่อยๆแล้วมันจะเบื่อไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นแค่มันเบื่อขึ้นมาเฉยๆบางคนอยากกินไข่พะโละกินบ่อยๆเบือบ่ออยากจะกิน อ, อะไรผัดไทยบ่อยๆเบือ่อความอยากเมื่อได้สนองมาทีแรกรู้สึกดีใจเป็นสุขได้สิ่งเดิมมาสนองบ่อยๆ เบื่อดูสิปัญหามันมันเป็นเจ้านายที่แบบแย่มา ก, มากเลยใช่ไหมเอาใจด้วยของเดิมครั้งแรกมันชอบมันพอใจเต็มรู้สึกเต็มแต่เต็มเต็มแปดเด๊เดียวเดี๋ยวพร่องใหม่แล้วเติมด้วยวิธีเดิมของเดิมแบบเดิมปริมาณเท่าเดิมไม่พอละต้องมากกว่าเดิมต้องเข้มข้นกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมหรือต้องเปลี่ยนใหม่ไปเลย ความความน่ากลัวของมันมีอีกอย่างหนึ่งคือว่าตัณหาเนี่ยเวลาเราสนองมันบ่อยๆรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็สนองอีกเปลี่ยนได้ก็สนองอีกบางคนมันมีวาสนาดีนะมีบุญมาก่อนทําบุญไว้ดีอยากอะไรก็ได้อยากอะไรก็ได้อยากอะไรก็ได้ไไดบ่อยๆเนี่ยเกิดเบื่อขึ้นมาก็มี รู้สึกชีวิตนี้หมดความท้าทายไม่มีอะไรต้องทำแล้วอยากอะไรก็ได้อยากอะไรก็ได้บางทีเบื่อชีวิตฆ่าตัวตายก็มีสถิติคนฆ่าตัวตายเนี่ยนะมักจะเป็นคนที่มีอันจะ ก, กินไม่ค่อยมีหแบบประเภทนอนใต้สะพานหรือไปหาของเก่าอะไรนะผู้นี้จะไม่ฆ่าตัวตาย แต่คนที่ค่าตัวตายคือคนที่มีสุขสนองความสุขได้แล้วรู้สึกชีวิตนี้ไม่มีความหมายหมดหมดที่จะไป <c oughs> นะหรือมีความสุขอยู่จนเพลินจนจนไม่มีภูมิต้า น, านทานที่จะรับความทุกข์ผิดหวังนิดเดียวได้เกรดเรตลอดมีวิชาหนึ่งได้ B บ, บวกค่าตัวตายหรือวิชาหนึ่งได้ B ี่าตัวตายเคยมีใช่หม ออกข่าวมาแล้วอามาโอ้โหเราเนกว่าจะได้บีสัตว์ตัวนี่หืดขึ้นคอเนียเรียนเรียนมานะหืดขึ้นคอไหมได้บีมาตัวนดีใจนะได้เอนโอ้โห ส, สุดยอดจะกรี๊ดเลยเนะแต่เขาได้บีตัวหนึ่งเขาฆ่าตัวตายได้ซีตัวหนึ่งฆ่าตัวตายลำบากนะคนที่สบายสบายภูมิต้านทานความทุกข์มีน้อยสนองตัญหาได้บ่อย ภูมต้านทานความทุกข์มีน้อยตัณหานี่กลายเป็นว่าเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งทุกข์เกิดมาปุ๊บทุกปั๊บเลยเพราะแสดงถึงความพร่องและความไม่มีความความขาดสิ่งนั้นอยากได้ความสุขแสดงว่าตอนนั้นไม่สุขอยากได้รถตอนนั้นไม่มีรถใช่อยากได้มือถือใหม่มือถือเก่าไม่ดียังไม่มีมือถือใหม่จึงอยากได้มือถือใหม่ทุกครั้งที่มีตัณหาไม่มีความสุข มีทุกข์แล้วก็ปรุงปรุงความทุกข์เพื่อที่จะดับทุกข์ไปคราวหนึ่งดูวงจรของของคนเป็นอย่างนั้นนะวงจรของคนเป็นอย่างนั้นไหมพระเจ้าดูแล้วน่าสงสารพระเจ้าจึงบอกมาวิธีวิธีที่จะพ้นไปจากตรงนี้ไม่ใช่ไปดับตัณหาตรงๆไม่ใช่ไปไล่สนองตัณหาตรงๆ วิธีของท่านคือรู้ทันรู้ทันว่ากระบวนการให้เกิดทุกต่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ควบคุมไม่ได้มีขึ้นตันหาจะมีเพราะติดใจในเวทนาในความสุขที่ได้จากการสนองตันหาสุขที่ไดจากการสนองตันหาเป็นเวทนาอย่างหนึ่งเป็นเวทนาทางใจมีเวทนาทางกายก็เหมือนกัน สุขทางกายก็อยากได้สุขทางกายอยากได้สัมผัสนุ่มๆนิ่มๆอยากจะไปดูอยากจะไปฟังได้คือสัมผัสทางกายมีเวทนาทางกายสุขเวทนาทางกายสุกเวทนาทางใจเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอยากได้ทุกเวทนาทางกายก็เกิดตัณหาอยากจะพ้นไปทุกเวทนาทางใจก็เกิดตัณหาอยากจะพ้นไป อยากจะพ้นน er. ี owego, ่ก yeah ็เป็นตัณหานะตัณหาเนี่ยไม่ใช่อยากได้อย่างเดียวอยากได้อยากเสพอยากจะมีอยากจะเป็นเป็นตัณหาอย่างหนึ่งอยากจะพ้นไปก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งเ็าเรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากจะพ้นไปอยากจะเป็นก็เป็นภวะตัณหาอยากเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายของต่างๆที่มาปลนเปรย์อายตนะหรืออวัยวะต่างๆทางกายก็เรียกว่ากามตัณหา ตันหามี3อย่างการมาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาตัญหาต่างๆถ้าเรามองกระบวนการของธรรมะที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าตัญหาน่เกิดจากเวทนาติดใจในเวทนาบ้างหรืออยากจะผลักใสเวทนานั้นออกไปบ้างเวทนาเกิดจากอะไรเวทนาเกิดจากการกระทบกันระหว่างตากับรูปหู กับเสียงจมูก ก, กับกลิ่นลิ้นกับรสกายต่างๆสัมผัสโตภตาภะต่างๆเนี่ยทุกครั้งที่เกิดการสัมผัสกันเนี่ยจะเกิดเวทนาขึ้นตลอดเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างบางทีก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆมันจัดไม่ได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เรียกว่าอัตุขขมสุขโดยใจเรียกว่าเอเวขาก็ได้นะเวทนาเกิดขึ้นทุทกๆครั้งที่มันสัมผัสกันที่มันกระทบกัน ห้ามได้ไหมห้ามเวทนาไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้ห้ามเวทนาไม่ให้เกิดไม่ได้ ม, มีเวทนามาก็มีตัญหาอีกกระบวนการนี่มันมาตามลําดับห้ามไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นอนัตตาทางที่เราจะไปดูอลองย้อนไปอีกเวทนาเกิดขึ้นจากภาษาภาษาเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอานจตนาห้ามอีกได้ไหม ก็ไม่ได้เพราะมันเกิดไปแล้วมีแล้วนะที่มีอย่างนี้เพราะมีนามมีรูปเกิดขึ้นมากระบวนการต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าดูแล้วมันห้ามไม่ได้ต้นเขาถ้าจะสืบสืๆไปเรื่อยๆเนี่ยตามหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะมันเกิดจากความไม่รู้สิ่งที่เราจะต้องทําคือความรู้เพื่อที่จะพ้นทุกข์ได้จริง ไม่ใช่โมแต่สนองตันหาสนองตันหาปรุงตันหาขึ้นมาแล้วไปสนอง <c oughs> ก็เรียกว่าทําร้ายตัวเองปรุงตันหาขึ้นมาแล้วสนองไปเรื่อยๆนะนะมันทำร้ายตัวเองเพราะทุกครั้งที่มีตันหาขึ้นมาทําร้ายทุกทีทุกแล้วแล้วก็เพื่อที่จะไปดับทุกนิดหนึ่งดูเหมือนไม่คุ้มกันกับการที่ทุกมาตั้งยาวนานปรุงตันหามายาวนานแล้วสนองตันหาได้สุขแป๊บหนึ่งแล้วก็ปรุงใหม่ระยะเวลาที่ปรุงกับระยะเวลาที่สุข เทียบกันไม่ได้เลยนะไม่คุ้มเมื่อเจ้าเสนอแนวทางใหม่ทำความรู้ตัวฝึกสติฝึกสติสติที่ท่านให้ฝึกเนี่ยก็ เ, เรียกว่าสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดามีสติธรรมดากับสติปัฏฐานสติธรรมดาคือรู้ว่านี่คือกล้องวิดีโอรู้ว่านี่คือดอกไม้นรู้ว่านี่คือไมโครโฟนอย่างเงี้ยรู้ความรู้แบบมีสติอย่างนี้เรียกว่า สติทั่วๆไปใช้กับดำเนินชีวิตทั่วทวไปแต่สติปัฏฐานเนี่ยฝึกเพื่อให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายเรียกว่าพ้นไปจากวัตะสงสารความรู้ที่จะได้จากการเจริญสติที่ที่เราควรจะฝึกสติท่านกำหนดขอบเขต ก, กำหนดกรอบของสติที่จะไปรู้ให้ รู้อยู่สอย่างตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมและท่านก็กลัวว่าจะเข้าใจยากท่านก็รวบเหลือสองสองกลุ่มกายกับเวทนากลุ่มหนึ่งจิตกับธรรมกลุ่มหนึ่งรวบเพื่ออะไรรวบเพื่อบอกว่า คนบางคนเหมาะที่จะดูกายกับเวทนาคนบางคนเหมาะที่จะดูจิตและธรรมใครเหมาะที่จะดูอันนี้ใครที่จะเหมาะดูอันนี้คนที่จะดูกายให้เห็นเป็นสติจริงๆหรือเวทนาหเห็นเป็นแบบสติจริงๆเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีสมาธิได้ฉานมีจิตตั้งมั่นสามารถมองเห็นกายเป็นสักว่ากาย เห็นเวทนาเป็นศักว่าเวทนาทำไมมันดูยากนักเลยดูยากไหมดูดูกายเป็นกายยากไหมส่วนใหญ่จะดูมือเป็นมือเคยตอนนั้นไปคุยกับเพื่อนยกตัวอย่างมือมาบอกถามว่านี่อะไรบอกชูวิท <c oughs> โอ้มันแปลไปได้เป็นชูวิทได้เหมือนกันนะตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเวลายกตัวอย่างอะไรต้องระวังเหมือนกันนะนีเลือกตั้งไปแล้วช่างมันไม่เป็นไรอย่างเช่นนี้อ่ะ ยกตัวอย่างเดิมนะอันนี้เวลาเรามองตาเห็นนี่เราจะมองเห็นอะไรเห็นมือมคนส่วนใหญ่เห็นมือแต่ที่ท่านให้เห็นเนี่ยจริงๆคือเห็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งหรือเห็นแสงสีเวลาสัมผัสไปเนี่ยสัมผัสถึงธาตุธาตุดินนะเวลาเห็นเห็นแสงสีคนจะเห็นอย่างนี้ได้คนจะสัมผัสงี้ได้ ต้องมีจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นคือต้องผ่านการอบรมได้ให้ได้ฌานก่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาดูกายเห็นว่าเป็นธาตุเห็นว่าเป็นแสงสีจึงต้องผ่านการอบรมสมาธิได้ฌานจึงจะเหมาะยิ่งดูเวทนาดูเวทนาเนี่ยจะเห็นเวทนาได้ชัดเริ่มต้นเห็นทุกขเวทนาถ้าทุกขเวทนา คนที่ไม่ได้สติเอคนที่ไม่ได้สมาธิไม่ได้ได้ฌานมาก่อนจะทนดูไม่ได้เรายุงกัดนิดนึงแล้วก็ลุกหนีละคนที่ได้ฌานจะเห็นทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นสักแต่ว่าเวทนาดูแล้วเห็นเวทนามันเปลี่ยนแปลงเห็นเวทนามันไม่เที่ยงเห็นเวทนามันมันมีการพัฒนาตัวเดี๋ยวก็เข้มแข็งขึ้นมาเดี๋ยวก็ลดลด น, น้อยลงไปงนคนที่ไม่ได้ฌานไม่เหมาะ เหมาะที่จะมาดูคู่นี้จิตและธรรมดูจิตเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเราแยกชีวิตเป็นสองส่วนใหญ่คือกายและใจคำว่ากายและใจเนี่ยในคำว่าใจเนี่ยเป็นภาษาไทยภาษาบาลีคือจิตนั่นเองในจิตนั่นเนี่ยถ้าแยกให้ไปอีกจะมี และเจตสิกเคยได้ยินคําว่าเจตสิกไหมเก่งมากเลยนะอาตมาบวชหลายปีกว่าจะเข้าใจเนอะคำว่าเจตสิกเนะี่ยงงอยู่กับคําว่าเจตสิกมันคืออะไรนะมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับใจขอพร้อมกับจิตขออภยัยสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตจิตและเจตสิกจะเรียกรวบมารวบกันมาเนี่ยเรียกว่าจิตอย่างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้า แนะนำให้คนฝึกเจริญสติดูจิตเนี่ยตามดูจิตเนี่ยหมายรวมเอาว่าจิตในในความหมายที่รวมทั้งเจตสิกด้วยไม่ได้ให้ไปดูจิตล้วนๆอย่างเดียวจิตล้วนๆหมายถึงสภาวะสภาพธรรมชาติที่รู้อารมณ์ซึ่งคุณภาพจิตอย่างนี้ไปดูไม่ได้แต่จิตที่ท่านให้ดูนี่คือความหมายกว้างๆรวมอถึงเจตสิกด้วย มีกายมีใจใจมีจิตกับเจตสิกเข้าใจไหมนี่เป็นศัพท์บัญญัติเฉพาะนะถ้าไปฟังหลวงปู่เทศน้องอีกเรื่องนะกายและใจใจเนี่แบ่งเป็นจิตและเจตสิกนะจิตเนี่รู้เฉยเป็นสภาพรู้อารมณ์เฉยๆเรายากที่จะไปรู้จิตตอนนี้ในสันพระในในความหมายที่เป็นเฉพาะที่เป็นสภาพรู้อารมณ์นะเพราะจิตมันจะเกิดควบคู่กับเจตสิก เจตสิกมันคือคุณภาพที่เกิดพร้อมกับจิตนั่นเองนะคุณภาพต่างๆที่เกิดพร้อมกับจิตก็เช่นเช่นอะไรดีราคะราคะนี่เป็นคุณภาพไหมจะว่าเป็นคุณภาพมันคำคำนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นสิ่งที่เกิดพร้อมกันกับจิตนะราคะเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเรื่องอกุศลที่เกิดพร้อมกันเป็นความปรุงแต่งก็แล้วกันเป็นความปรุงแต่งที่เกิดพร้อมกับจิต ลงแต่งในด้านไม่ดีเป็นราคะมีไหมทุกคนมีโทสะมีไหมมีโมหะรู้จักโมหะไหมพยักหน้ากันนะโมหะคือความใจลอยเลื่อนลอยไม่รู้สึกตัวฟุ้งซ่านรู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านคิดสเปะสปะลอยไปหดหูรู้จักหดหูไหมหดหูทุกคนมีทุกคนเคยเป็นนะหดหูก็คือ ไม่ไม่มีแรงหมดแรง <c oughs> ไปไหนไม่ได้ฟุ้งซ่านยังมีแรงฟุ้งไปนะหดหูนี่อแองแงอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือคุณภาพต่างๆหรือหรือความปรุงแต่งต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตนะราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหูเพื่อเจ้าแนะนำให้ดูสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นะจิตเกิดขึ้นพร้อมกับราคะให้รู้ทัน ขณะนั้นจิตมีราคะจิตขณะนั้นมีโทสะให้รู้ทันว่าจิตขณะนั้นมีโทสะถ้ามันดับไปก็ให้รู้ทันจิตมีโมหะคือหลงคิดไปเรื่อยๆก็ให้รู้ทันว่าจิตขณะนั้นหลงไปเผลอไปจิตฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยๆเผลอคิดให้รู้ว่าฟุ้งซ่านหดหูให้รู้ว่าหดหูแต่ความรู้ที่ว่าที่จะมีสติเนี่ย ไม่ใช่รู้ทันทีแบบขณะที่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะไม่ใช่ว่าขณะที่หดหูก็รู้ว่าหดหูขณะที่กโกรธก็รู้ว่ากโกรธไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไร <ward> er. เพราะขณะที่โกรธขณะนั้นจิตมันไปรู้เรื่องเรื่องหนึ่งแล้วทำให้โกรธมันจะโกรธเองไม่ได้นะมันต้องไปหาอะไรให้โกรธนะเวลา rama, โกรธกันเนี่ยนะเพื่อนโกรธกันสมมุตินะเวลาโกรธกันเนี่ย จิตมันจะไปรู้สิ่งหนึ่งสมมตินี้เป็นจิตอ่ะนี่เป็นจิตนะจิตไปรู้สิ่งนี้แล้วโกรธจิตเนี่ยเป็นสภาวะเป็นธรรมชาติอย่างที่รู้ทีละอย่างเกิดและดับสืบเนื่องกันไปแล้วรู้ทีละอย่างจิตขณะที่โกรธมันรู้ไอ้นี่แล้วโกรธรู้ไอ้นี่แล้วโกรธมันไม่รู้ว่าจิตโกรธ ที่ท่านให้รู้เนะี่ยให้รู้จิตว่าจิตโกรธในขณะที่โกรธมันไปรู้ไอ้นี่จิตไปรู้นี้แล้วมันไม่รู้จิตนะจิตดวงนี้ดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นมารู้ทันว่าเมื่อกี้นี่โกรธอย่างนี้จึงเรียกว่าเกิดสติสติเรียกว่าสติปัฏฐานนะดวงนี้ไปรู้หน้าคนนี้โกรธขณะนี้ไม่มีสติเพราะจิตไปรู้อันนี้แล้วไปรู้อย่างอื่นไม่ได้แล้วแล้วดับไป จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาถ้าไปรู้หน้านี้อีกโกรธอีกเข้าใจไหดวงใหม่เกิดขึ้นมารู้หน้านอีกโกรธอีกนะโกรธมากขึ้นด้วยพรารุงแต่งมากขึ้นนะในขณะที่รู้นี้เกิดมีจิตดวงใหม่ขึ้นมารู้ว่าไอ้ที่ดับไปเมื่อกี้นี้คือจิตที่โกรธจิตดวงนี้เรียกว่าจิตที่มีสติเป็นสติปัฏฐานด้วยไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาจะไปรู้อย่างอื่น จะไรู้อย่างอื่นไม่รู้ตัวเองไม่รู้จิตแในในขณะที่รู้เนี่ยมันจะไปรู้จิตดวงเมื่อกี้นี้ที่ดับไปท่านจึงเรียกว่าตามรู้เข้าใจาตรงนี้นะมันยังไม่เห็นตัวเองนะไม่เห็นว่าขณะนี้จิตดวงนี้นะเป็นอะไรเนี่ยยังไม่เห็นจะเห็นต่อเมื่อเกิดมรรคผลขนาดในขณะที่ฝึกเนะี่ยให้ดูอย่างนี้ว่าจิตเมื่อกี้เผลอไปเผลอไปคิดเผลอไปโกรธเผลอไปมีราคะเผลอไป พงซานเผลอไปหดหูรู้ว่าเผลอไปแล้วดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมารู้ทันทีว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตดวงนี้แล้วดวงจะมีสตินี้ก็ดับดวงใหม่ไปรู้อย่างอื่นต่อดูอย่างอื่นต่อแล้วเกิดราคะโทสะโมหะแล้วรู้ใหม่เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้อย่างนี้นะขอบเขตในการดูดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ทบทวนนะกายเวทนาจิตธรรมเป็นขอบเขตในการที่เราจะไปเจริญสติคนที่มีฌานเหมาะที่จะดูกายและเวทนาคนที่ไม่ได้ฌานเหมาะที่จะดูจิตกับธรรมนะกายเวทนาจิตธรรมนี่คือขอบเขตในการเจริญสติคนที่มีสมาธิได้ฌานเหมาะที่จะดูกายและเวทนาคนที่ไม่ได้ฌานคนช่างคิดคิดมากให้ดูจิต จิตเหมาะสาหรับคนที่ปัญญาทั่วๆไปปัญญาปกติเป็นคนทั่วๆไปคนดูทำนี่เป็นคนที่ระดับเอ็กซ์เิหน่อยใจจิตใจไม่พอใจกับการดูแค่ราคะโทสะโมหะรู้สึกไม่ไม่อิ่มไม่อิ่มพอต้องดูให้เป็นกระบวนการต้องดูให้ดูว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นนิวรณ นิวรมีหตัว <c oughs> เป็นกระบวนการของนิวรจิตฟุ้งไปในเรื่องกามเป็นการมาชันทะจิตฟุ้งไปในเรื่องของความไม่พอใจเป็นพยาบาทฟุ้งไปในหาสเปะสปะไม่รู้ที่จบที่ที่สิน้นกลายเป็นอุทธะจะกกูจะแลวอะไรกัเกิดหิถีนามิทะเก่งหนเนาะแสดงศึกษามาดี ฟุ้งซ่านแล้วก็มีหดหูคือง่วงเหงาหานอนแล้วก็คิดหาคำตอบสงสัยลังเลเป็นวิจิกิจฉาเวลามองสิ่งที่มากวนใจมองเป็นเรื่องนิวรณ์เวลามองเข้ามาหาตัวมองเป็นเรื่องขันห้าเวลามองไปถึงกระบวนธารมที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นความตัดสรุมองไปถึงพอดชง ม, <c oughs> มองแล้วที่สุด เห็นอริยสัจนิดซึ่งต้องเป็นเป็นคนที่มีปัญญาและมีอินทรีย์แก่กล้ามากพอแต่สุดท้ายต้องไปจบที่นี่จะเริ่มต้นด้วยกายด้วยเวทนาด้วยจิตหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ต้องมาจบที่ตัวอริยสัจตรงนีนะ้คือสุดสุดท้ายที่จะตัดสินกันว่าจะเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่เป็นพระอาหารหรันต์ก็ดูที่ว่าจะเห็นอริยสัจหรือเปล่า